ของเธอนั้นมีเด้งนี่เด้งคือเธอได้เห็นฉันเป็นคนอื่นแปล กนประชาชีเหตุ hey, จากคืนนั้นเธอมาชนแก้วแล้วเธอก็หายในราตรีเธอป่อยสเสน่ห์แล้วทิ้งฉันไว้ไม้ปานี้สรุปเธอไปกับใครอย่าให้การเลี่ยงบาลีน้ำตาไหลเป็นวารีแล้วตัวเธอก็ลายทาักเพราะฉันเริ่มอินกับบอกว่าอย่าไปคิดบ้างไมนนะักเพราะฉันจะคายรักกับส่งคำหวานมาไทยทั้งมันบอกว่าง่เหงาวมันบอกว่ า, วาเพอบอกว่าอยากจะจ ะ, จะตายชัดแม่จําเลยรักหัวใจคนไม่ใช่ผนังนะไอ้คาว่ารักก็ไม่ใชิดทองต้องซอดตรงหลังพระ ไปไปมามาให้ความหวังนี้มันอีหยังว่าคดีร้ายแรงสังตต้องตัดสินจำเลยเป็นผู้ต้องขังและจำเลยแย่างฮกยังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอดใจมาสายดียๆความผิดของเธอนั้นไม่เด่นหนิเด่นคือเธอใ น, นเห็นฉันเป็นคนอื่นไกลเชื่อเธว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทษในค่ า, คาที่รักเธอฟังอยู่ไหมขอ กดรวมถึงเงินสดแล้วกู ช, ชี่เบลงวงมันเล่หล่อเธอหลายคนแล้วตามกดแล้วว่าทํานองครองคําจําเลยรักต้องอยู่เรือนหอแทนกันอยู่เรือจนจําโซ่ตัวจะกลายเป็นเสื้อคอทองคําและจะมีสารพูพิพากษาอยู่เรื่องเป็นหอจองจําไม่ต้องมีคําอนุญาโตตุลาการไม่ต้องมายื่นอุทธรณ์และปล่อยให้ฟ้าเป็นพยานว่าพันธนาการสองเราไม่ไกลจะหาใกล้ไม่จําเในรักต้องการสิ่งดใดหอกมันเล่จะหาให้จนกว่าจะหาไม่ ทำนาแยงหากยังไม่มีอะไรทีากล่าวยอมบอดใจมาซาดีดีความผิดของเธอนั้นไม่ไดึงไีนึ็กคือถธได้เห็นฉันเป็นคนอื่นไกลเชื่อเธอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทษในาค่าที่รักเธอฟังอยู่ไหมขอต่อไปมันก็สำคัญแอบเมืเธออยู่คอที่สองเมื่อในเธอชอบใครส่อนแต่สิ่ง สาบไล่ต่อให้ตัวต้องตายว่าเจตนาไม่เคยต้องการเธอทำร้ายเธอนนี้นี่เป็นพิรจะไม่จะชูประตูดีให้เหมือนกับคำมือพยักเพราะว่าใจมันห่วนกันไปกันจะให้ใครช้ำชจนะกจะรักให้มากที่สุดให้เหมือนกับใจไม่เคยรักสุดท้ายสารรู้ตัวดีว่าสารนี้แหละจำเลยรักเองินคือเธอ ตลอดไปหลอบใจตัวเองว่าฉันมาไกลเกินย้อนไปเหนื่อยแทบไม่ไหวและน้ำต่ สิ่งที่ประคอกลับค่อยค่อยไกลจนลาไปจนมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงกอดมันไวจะลุดพ้น กดมันแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กดทำให้สุดท้ยเท่านั้นเท่านั้ น, น, นแค่อยากรู้ว่าตรงที่เธออยู่นั้นมีฟังตอไหม จับเราคู่กันฝ้าดินจงใจแกลงเราจะว่าหรือเปล่าจะไม่น่าต้องห้ามรักกันความเหมาะสมหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันคันสุดท้ายต้องยอมจำนวน เราสิ้นลงแค่อยากพบกับเธอสักหนสักตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจากอยากให้รู้ว่ารักเธอมาและจะรักรักตลอดไป mm hmm. ก็ชัดนี้แค่ได้พบเจอก็ชั่หน้าคอยฝัน วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกรกรกลกัน ทินแล้วใช่ไหมฟ้าดินที่ได้เห็นว่าคนต้อตำมันต้องเจ็บต้องช้ำต้องน้ำตาตกลอกใบนี้มีคนมากมายทาไม่ต้องเป็นเราสองคนยอมจำนวนให้แล้วหวังว่าคงพอใจ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 วันนี้ใจฉัน ที่รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปก็ชัดนี้แค่ได้พบเจอก็ชัดหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันคนรักกันยห่ฟ้าดินถึง เข้าใจ คงต้องมีใครมาดูแลหัวใจมันทนต่อไปอีกไม่ไหวอยากจะบอกว่าฉันมีเพียงความ ต่อไปไม่ไหวคงต้องมีใครมาดูแลหวัวใจมันทนต่อไปไม่ไหวอยากจะบอก w e a e กาย ในทีกตอนนี้ฉันรู้สึกที่ใจมันอ่อนวัย เธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟฝันยอมให้ใครคนเข้ามาคนที่มาว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอย่าไม่เคยรักใคร คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรตอนสุดท้ายหรือเพียงฉันแปลงที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ เพราะรักเธอ มึงหูบอบอ่อดิสนมือสนวันดีไพสีมีแห้งกระร้างทอบ่อไปยัาระเบียบเสร็จเขาจนได้ยาดผู้ใหญ่คือศินาาบานปานกระดองกะหักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดคงมันอยู่บอ่อใดอยากอ้ายเขา สิพ่อพ่อสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจใเขียดให้คักคักบเบรเาา่าจักวาจักห้ยคยังบ่ไปยังบ่าตายไปจากใจจากเธออเมื่ อ, อมเมื่อแทบเบื้อสิคิดหอดเห็ดแต่แต่ก่อเสาเที่ยงแนมไปกอเฟี้ยงก็เห็นแต่หนา้าขาว เมาก็เมาเพราะตายยังเห็นแต่ภาพเกา่าเก่ากูคิดหอดเขาโอ้มันจะพบอัานสิใจใขาดทอดไปกับสายลมซาเลียวหลุดไปคือว่าวที่เอาคืนบ อ, ดอใด้ยหาเรา้ข้าปากสมักจนน้ำตาไหลห้องเงินใส่เสียงมาเดิ ก่อเสาเทียแนมไปกออเฟี้ยก็เห็นแต่หน้าขาวขาวเมาก็เมาเพราะตายยังเห็นแต่ภาพเก่าเกากูคิดหอดเขาโอยมันเจ็บพบอาสิใจขาดผัดไปกับสายลมซาเรียวหลุดไปคือว่าวที่เอาคืนบอใดาหายราเข้าปากสมัครจนน้ำตาไหลห้องเงินใส่เสียงมาเด้อ ก็เพราะว่าฉันชอบเธอตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอกกลัวว่าเธอนั่นจะมาหลอกคนบายนอกอย่างฉันสมมติเอานะว่าฝันเป็นจริงก็แบบว่าเธอมีใจให้ คิดหัวใจยังสั่นจริงๆนะเธอ จะโบยบินไปสู่เธอก็เพราะว่าฉันชอบเธอตังแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอกกลัวว่าเธอนั้นจะมาลองคนบ้านนอกยังฉัน t ธอมีใจให้กันขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น ที่ทำอะไรลงไปแบบไม่คิดทําให้เธอไม่อจะเป็นคู่ชีวิตก็ตัวเองที่ไม่ใส่ใจเสกนิดเธอเลยเดินจากไปไม่ต้องคิดเหตุผลที่เธอจากไปจะบอกว่าฉันนั้นไม่ใส่ใจโ <Hey. S 1> ซกี่สายจธนับเอาไว้มีบอกกูรู้ฉันริ่มเปนไป <Hey. S 1> วันวันสนใจแตเรื่องงานผ้ววันเกิดเธอจะลืมไปเลยเมื่อวนันกี่ปีแล้วไม่เป็นเวลาที่เนิ่นนาน ความรักเราไม่ต่างอะไรจานี้ทำให้ฉันเป็นเจ้ายิงและให้เธอเป็นเจ้าชายจากกันคือฝันร้อยที่สองเราจะต้องเจอเธอไม่ไปขอร้องเธอได้ไหมสิ่งที่ฉันนั้นทำลงไปให้อภัยได้ไหมอยากจะรู้ฉันยังมีสิ่งคิดถึงเธอได้ไหมหากว่เรักเราเธอยังไปเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหม หลายอย่างที่อยากจะพูดด้วยอะอยากจะคุยด้วยแต่เราขอโทษนะที่ทำไม่เคยดีกับเธอที่เราตะคอกใส่ตลอดเลยเราขอโทษจริงๆรักเธอนะ เก็บฉันได้ไหมอย่าพิงกรดต้องให้อภัยไม่เป็นไรฉันยังคงรอที่กี่ปีฉันยังมีทออย่าขอโทษที่ทำผิดไปที่ชอบทำน้ำตาเธอไหลเธอเฝ้ามองฉันอยู่หน้าจอแต่ตัวฉันกลับดาน on the ุฟ o อมสามวันดีสีวันใค่จะทำอะไรไม่ก็พูดดีๆทุกๆุทีท่เธอนอนร้องไห้ความรู้สึกเสื free ้ฟรีเรื่นขึ้นมาตอนเช้ามันบ่มีเวลาวที่เธอสิกลับองขึ้นไปที่ดา ยังคงคิดถึงเธอในอดีต<อ>ไปขอรักเธอ เรงครัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนขอให้เธอมั่นใจรักจริงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลา mm hmm. โอใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าครวญหา เมาถึงเธอรั้มไปเมื่อดวงใจมีรักบอบแดกใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจเขาให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิง ถึงเธอเฝ้าครวญหาโอ้ใจนะเออใหญ่ละมาถึงเธอร่ำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบแต่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจ เธอมันใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนี้รันฉันจะยอมมอบกายพักพิง ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรคุมใจไว้ไม่ให้น้ําตามันไหลออกมาแค่เธอจะไปแค่เธอต้องการขอเลิกลาแกล้งยิ้มมองมาแกล้งทำว่าฉันไม่เป็นอะไรได้เพียงยืนมองเธอกับเขา ที่กำลังจะจากฉันไปไม่มีคำพูดใดๆ ไ, ไม่มีให้ผลเธอเดินจากกันไปช้าๆไม่มีแม้แต่คำลำลาไม่มีคำพูดจะเลยสักคำแค่เธอ เพียงเวลาแค่เสี้ยวนาทีจบความสรงจำลบการกระทำฟังใจดีๆจากไปวันนี้ถ้อยคำดีๆไม่มีสักคำได้เพียงยืนมองเธอกับเขาที่กำลังจะจากฉันไปไม่มีคำพูดจะใดๆไม่มีเหตุผล ไม่มีแม้แต่คำล้ำลาไม่มีคำพูดจะเลยสักคำแค่เธอบอกว่ารักสั่งคำจะได้ไหมหรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดีหรือเธอพูดมันเลยว่าไม่รัก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 หรือเธอพูดมันเลยว่าไม่รักว่ารำคาญฉันเป็นที่ดีกว่าใช้ไปยัง